50 languages. 5้า1ิบเอ็ด I'm very h u n การไปทำธุระคดีคดิค்ชลดัลดิฉันอยากไปห้องสมุด ดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือยาน க กพุทธะคดิกุเซลล์เวนดุมดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ยานักปัททริกเกย์คดิกดุเซลล์เวนดุมดิฉันอยากยืมหนังสือยานักโอรุพุทธกัมยดึกกับเวนดุมดิฉันอยากซื้อหนังสือ ย ன க ் க ก ஒரு รு த ุ த க ம ் வாங்க வ ே ண ் ட ว ம ்ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมยา க ักกูโหรุเซ த ด த ா ள ் வ ா ங ง க வ ே ண ் ட ுด் ด, ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ எனக்கு ูூ ல க ம ் ச ลก் ற ு ஒ เซนு த ் த க ம ุ எடுக்க வ ே ண ย ட ு ம ் ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือยาน க กพุทธะคดิกุจฉริวโรปุตตกะกังวังกาเวนดมดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ยาน க ก க ัตทริกัยคดิுุจฉริวโรสีดิทอร์ปปวังกาเวนดมดิฉันอยากไปร้านแว่นตา ยาน் க มูคคันนา கடைக்கு செல்லவேண்டும் ดิฉันอยากไปซูปเปอร์มา ร, มร์เก็ตยานั ப ซูเปอร์்าร์เ ட ็ตคัดเอ ச ส ல ่ ல வேண்டும் ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปังยานักเบเกอรี่คัดเอก ல ั่งละเว้นดดิฉันอยากซื้อแว่นตา ยา க ั க มู ண ் ண ா ட ி வ ா ங ்ก வேண்டும் ดิฉันอยากซื้อผ ล, ลไม้และผัก எ ன க ் க ค க ா ய ் க ปி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும் ดิฉันอยากซื้อขนมปังยานักโรลสรุดด่มเบรดด வாங்க வேண்டும் ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา ยานักขนนอ க ด้ค ச ெ ன ்กு ம ூ க ் க ม க ก் ண ா ட ி வ ้ ங ் க வ ே ண น ட ு ம ்ดิฉันอยากไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก எனக்கு ச น ப ก ப ูเปอร์มาร์เก็ตติดก சென்று க ா ய อ க กி ப ี வ க ைวา் வ ่ ங ் க வ ே ண เวน ம ்ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง எனக்கு வேகரிக்கு சென்று ரோல்சும் ப ி ர เ்รดด்ดมวังก์ก்